ศาสนาคือคำสอนพระพุทธเจ้าตั้งต้นที่ไหนก่อนที่จะให้เกิดผลพรนะพุทธเจ้าด ต, ตั้งที่ไหนที่เป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนเขาเป็นพระคิดท่าได้คุ้มมาที่หลังมากลับเป็นพระพุทธเจ้าได้พระคิดท่านั้นหายไปไหน ตัวเดียวนั่นเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นปฏิธัศน์มาเปลี่ยนเป็นผู้ได้เจ้าก็ดีตัวของเราก็เหมือนกันเราเป็นคนเป็นบุรุษชายหญิงทุกผู้ทุกคนนี่แหละถ้าหามาตั้งตัวเป็นพุทธมามากามาตั้งตนนี้ตัวของเรานี้คําสอนฝังในที่นี้ มันจะเกิดเป็นพุทธมามากาขึ้นในที่นี้ทุกๆคนพอตั้งต้นของที่นี่นั้นแหละจะเป็นพุทธมามากาขึ้นในตั้งต้นอย่างไรตั้งต้นเอาอะไรมาปลูกลงก็คําสอนในพระเดจ้านั่นแหละปลูกลงที่นี้มันไม่มีหรือเด็ก่อนมีอยู่แต่ไม่รู้ตัว เราไม่เข้าใจเรามีทุกข์ผลเหมือนกับปฏิท่านี้ทุกอย่างแต่ปฏิท่าหนึ่งไม่ได้ไม่ได้รู้ไม่ได้ตั้งต้นองคีพตัวของปฏิท่าเขาตั้งต้นองคระนั่นแหะได้สังเดชพระพุทธเจ้าพระปฏิท่าได้สังเดชพระพุทธเจ้าได้เป็นพระ ศาสตดาขึ้นในตัวให้คิดเดูเถอะเสียงทั้งหมดที่มีในโลกอันนี้ถ้าไม่มีตัวของเราเธอะแลวก็ไม่มีดักโลกอนนี้คือตัวของเรามีแล้วยังค่อยมีถึงมีแต่ตัวก็ช่างเถอะถ้าไม่มีใจ ตัวนี้ก็ใช้กายไม่ได้เพื่อเน่าเปรี้ยในที่เดียวคือตายมีกายสับใจได้ไปใช้ได้เลยนี่เราจะทำอะไรได้ทั้งหมดเมื่อมีสองอย่างนี้จึงว่าศาสนาตั้งหนุ้มคนนี้ซะก่อนเราจะทำทาน ตามพุทธวจนะตามคําสอนพุทธเจ้าเรียกว่าจ่าค่าบริจาคถ้ามีกายไม่มีใจบริาจาคไม่ได้ไปหาจิตไหนมาจ่าค่าไม่ได้ไนั้นเพราะมีกายมีใจเนะี่ยยังไปหาจริงอื่นจริงทั้งปวงวนมาทําฐานจะรักษาศีลถ้ามีกายมีใจก็รักษาไม่ได้ นี้จะใจก็รักษาไม่ได้นี้จะกายก็รักษาไม่ได้มีใจนั่นคือพวกเปรตที่ตายไปก็เรียกว่าเปรตรักษาไว้ ไ, ไม่ได้เป็นเทวดาวก็มีเรียกว่าเปรตเหมือนกันไม่สามารถที่จะดำรงพุทธศา ส, สนาไว้ได้ดอกเทวดา ถึงรักษาสิ้นได้ก็จริงแต่ไม่สามารถที่รักษาพุทธศาสนา ไ, ได้พระ อ, องค์จึงวางจึงตั้งศาสนาไว้ในมนุษย์คนนี้เพราะมีกายมีใจคนน้ปรารถนานักหนาปรารถนาเป็นเทวดาเห็นว่าเทวดาได้ความสุขพอคนเราในบ้านเมืองของเราลองดูสิคนนี้มีความสุขมาก เผลอหลงเมาไว้หมดไม่คิดถึงชิ้นทําอะไรหรอกเมาแต่กลกกับไปสมบัติ่นี้ความสุขคนสบายจากเกิดจากสมบัติเมาหมดเทวดาก็เหมือนกันมนุษย์มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เราจะทำทุกข์ก็ได้ ให้เกิดขึ้นในตัวของเราจะทําทุกข์ให้เกิดขึ้นในตัวของเราก็ได้อริยสัจ ท, ทั้งสี่นี่ในตัวของเราหมดทุกอย่างสามารถที่จะทำให้สําเร็จมรรคผลนิพพาไนได้เทวดาพวกผมไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะเหตุที่ว่า มันสุกเกินไปถึงได้สําเร็จพระพุท น, นิพพา น, นก็ไม่มีใครเห็นหรอก น, นะในมนุษย์ของเรานี่เมื่อได้สาเร็จพระพุท น, นิพพานแล้วยังเทศนาประกาศาสังสอนศัจตรฐานนั้นแก่หมู่มนุษย์ทั้งสองมดยังดีกว่ามนุษย์มันดีอย่างนี้มันเป็นพืชมันเป็นที่ตั้งของ การปลูกพืชผ่านทางปวงวัดมันคือเหมือนกับพืชดินพืชดินนั้นงอกงามมันงอกงามขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าปลูกลงไปในดินนี้แหละคือสัจธรรมคือคำสอนพุทธเจ้าปลูกไปเถิดท้ามวระปุงไปเถิดชิ้ น, นกระปุงไปเถิดในที่อันนี้แหละ แต่ขอให้ปลูกไปให้ลดน้ำให้ดีแต่ง้องามขึ้นหมดทุกเก่งทุกอย่างน้ำคืออะไรน้ำคือศรัทธาความเชื่อมันลดให้มันดีอย่าปลูกทิ้งมาเฉย ล้วปลูกลงไปนิดเดียวแรบสามารถที่ให้ผลเลื้อประมาณถ้าหากว่าปลูกพื้นดินอันนี้คือศรัทธาเชื่อมันแล้วปลูกองที่ติวของเราแล้วเป็นผลนั้นดียิ่งดังข้างพุตตะคังคุตตะเจ้า ลึกกว่า น, นะพุทธ่เจ้าก็ตามเธอรึกสมัยหลังๆนี่กัดแง้งเธอคนทำทานเพียงนิดเดียวเทนะ่านี่ยไม่มากมายเลยอย่างทุกขตะทอดผ้าไอ้มีพ้าขาวพื้นเดียวกันเถสองภรรยาสามเอกมีผ้าพื้นเดียวกนะันเนะถอะสมบัตหนุ่ม มหาเศรษฐีนั้นทําบุญทําฐานใหญ่โตเขาถามตั้งกองกระถินใหญ่โตเขาถามทุกขตามีสองพ่อเมียนั่นได้หาคนเดียวไปโมทนาด้วยทั้งที่เศรษฐีก็ไม่อยากจะให้ทำบุญเพราะเห็นเป็นคนเพราะเห็นเป็นของไอ้ามชาเร็วสามรับไปขายที่หน้าเขา แต่ของฮันวขอให้เข้าด้วยเมื่อทําก็ถินนั่นทุกขกับตาสองภรรยาสามีท่านกล่าวว่าถึงกับแผ่นดินไหวมหาเศรษฐีแผ่นดินไม่ไหวทำมากแผ่นดินไม่ไหวนะครับสองทุกข์ตาภรรยาสามีนั้นไปโมทนากับเขาด้วยอาหะใดนั่น กาปลูกเนื้อนาอันดีให้ลดน้ำขวนดิุดนี้คือศรัทธาเชื่อมันทาทาจริงๆยอมสละทุกสิ่งคิดดูมีผ่าเพียงเดียวเวลาจะไปวัดไปวานี่ไปในที่หนก็เ ผ้าผืนนั่นแหะปัญญาไปก็ต้องเอาเอาผ้าผืนนั้นไปสามเอก็ต้องอยู่บ้านเอาผ้าผุมคือเดียวไปถ้าเมื่อสามเอไปปัญญาก็ต้องอยู่บ้านถ้าเปลี่ยนไปในเมื่อจะทานนี่ไงคิดแล้วคิดเล่าทานนั้นเราจะได้ไหนมะฮมคิดแล้วคิดเล่าในผนที่สุด ยอมสะระเอาละไม่ได้นุ่งไม่ ổ, ได้ห่มเอายอมสะระทุกสิ่งทุกประการลองดูที่เอ็งความเด็ดเดี่ยวกล้าหาขนาดนี้มีที่ไหนได้ครอแล้วสามารถทำได้ไหมก็ยู่นี่ต้องคิดดูนั่นน่ะได้ชื่อว่าใช้น้ำลดดีลูกลงในที่ดีในเนื้อนาบุญดี จึงสำเร็จประโยชน์อันนี้เรียกกับปลูกผู้ศาสนาลงในในที่ดินันดีสินก็เหมือนกันถ้าเราลูกที่นี่ดีแล้วลดน้ำหิ้ีเถอะสินข้อเดียวก็เอาไม่ต้องมากมาย อย่างอธิบายให้ฟังแล้วชิ้นข้อเดียวงดเล่นจากขาด ต, ตั้งใจงดเล่นจริงๆเราให้มั่นอย่าให้ขาดชิ้นข้อเดียวเท่านั้นนะไม่ต้องเอามากมายแล้ ว, ลวก็เลื่อมใสพอใจยินดีกับจิตของตนนั้นนะข้อเดียวเท่านั้น งความเลื่อมใสความพอใจคนดีนได้กลับเป็นสินทั้งสี่ข้อต่อไปสำเร็จขึ้นมาในข้อเดียวเท่าน้ถ้าความตั้งใจจริงๆหากว่าไม่พอใจไม่ตั้งใจไม่เลื่อมใสมันดีสินแข้อกระเทอือดห้าข้อกระเทอือ เจข อ, อก็เอาสองยี่เจ็ดก็เอาถูกน่าเป็นผลหรอกน่าเป็นผล น, นั้นยิ่งใหญ่ียงแต่รักษาฉินท่านว่ารักษาฉินเป็นธาตุของจินเหมือนกับคนเลียยงงวไม่ได้กินน้ำนมงวัว บาตจะได้กินน้ำนมบาตรจะได้กินน้ำนมมันมันนายจ้างต่างหากเจ้าของงูเนต่างหากรักษาศีลเพื่อคนอื่นนั่นเรียกว่าเลี้ยงงวรักษาศีลเพื่อประโยชน์คนอื่นคือเพื่อพุทธศาสนารักษาศีลกลัวเพื่อนเขาจะว่า รักษาสินกลัวเพส้นยานินทารักษาศินนั่นเพื่อความยกย่องสนสุเสริมนอกจาก น, นั้นรักษาศินเพื่อประโยชน์สมบัติพระสถานอยากมั่งมีรุ่มรวย น, นั้นเรียกว่ารักษาสิน เป็นขาเป็นฐานรักษาชินไปไม่ได้ปุณไม่ได้ไม่ได้ไได เ, เงินไม่ได้ทองไม่ได้สมบัติเป็นฐานเลยเสื่อมเถานไม่เห็นผลประโยชน์อะไรเลยไม่เป็นอิสระในตัวรักษาชินถ้าหาก็ตั้งใจมั่นอกไปจริงๆจังแล้วข้อเดียวเท่านั้นตลอดมดั้ง ข้าคอแก่ค อ, อเรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตั้งใจจริงๆจังเมื่อตั้งใจมันเป็นพรวนานในตัวแล้วเหรอตั้งใจปรารถนาที่จะรักษาศิวขอเดียวเท่านั้นนะเห็นสัตว์ เห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดเมตตาตานี้สงฆ์สงหาเป็นดูซึ่งกันและกันจิตใจข่วงขวังเปลือแผ่ไม่มีอิสสาพยาบาทซึ่งกันไม่เกลียดโกรซึ่งกันและกันเลยเป็นเมตตาขมวิหารใจข่วงขวังบึกบานน่าจะเป็นตวัว ภาวนาสมาธิเราตั้งใจเมตตาภาวนาเท่านั้นโบราณนั่นยังบอกว่าเมตตาภาวนาภาวนาเมตตาไปวัดไปวารีภาวนาไปเมตตาเันก็คือเมตตาภาวนาเลยเมตตาเลย ไปวัดระว่าไปอยู่วัดอะมีความเมตตาปานีชซึ่งกันและกันไม่คิดอิจฉาริสยาแข่งดีแข่งเด่ย น, นยกโทษค่มขี่ซึ่งกันและกันอันนั้นเรียกว่าเป็นเมตตาให้ภาวนา น, นั่นก็เป็นสมาธิอะไทีหนึ่งถ้ามีอิจฉาริสยา เบียดเบียนซึ่งกันและกันยกทอษซึ่งกันและกันไม่ว่าจะอยู่บ้านไม่ว่าจะอยู่วัดไม่ว่าจะอยู่ป่าอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันมันเป็นนรกไม่ใช่เป็นสวรรค์นี่นเป็นภาวนามันเรียกว่าไปหานรากร็จสนิมมันอยู่ใกล้ๆนรกไม่ได้อยู่ไกล อยู่ตัวของเราแค่นี้นหะไม่ต้องไปหาในวัดตัวนีไม่หาไม่ต้องไปหาในบ้านกันไม่ต้องออกไปหาในป่ากับมีในตัวของเราทําให้เกิดขึ้นในที่นี้เขาในตัวเราในที่นี้แหละเดือดร้อนขึ้นในตัวของเราเนี่ยนั่นแหละนรก ทำให้เกิดเมตตาภาวนาให้เบิกบานจิตใจผ่อมใสในมุ่มนุษย์เดยกันเมตตากในจิตวิาญาณก็เมตตาอินูนนรึย์ที่นะคับก้วงขวงตลอดถึงบ้านถึงตำบลถึงอำเภอทั้งหลอดทึงจังหวัดมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในที่นั้น นอกจากเมตตาแล้นนวมนนนันมีอะไรดวงดาววิสตาฟ้ามดเนี่นะมันมีขี้รักขี้ขโมยมีขีชอบขีกโงไอมดนั่นแหละเป็นสวรรค์ใจของเราก็เบิด้านคนเดียวบางคนเียหาวะ เราไม่ทแล้วคนเดียวทําไม่ได้เราพระพุทธเจ้าทำไมเทศนาให้คนเดียวเทศให้คนทุกคนทำให้เป็นอย่างเดียวกั็นมดเราเป็นเพียงคนหนึ่งเท่านันเราได้คนหนึ่งเก่อนคนอื่นให้ค่อยได้ตามเราถึงคนอื่นไม่ได้เราก็ไม่เสียมั่นนะ เมืองสวรรค์จะเกิดขึ้นในมนุษย์อันนี้เมื่อมีสินหาเท่านั้นอันนี้เป็นสมาธิขั้นต้นขั้นต่ำถ้าหาก็อยู่อย่างนั้นเป็นอยู่แต่นั้นเป็นปกติจิตใจเบิกบ า, เ น, จจ า, า, านเนี่ยจิตใจจะกะอาหารอย่านี้ขานี้จะพิจารณากายของเรา หรือพิจารณาธาตุสี่ที่น้ำไปลงคือที่ปลูกของพุทธศาสนาตรงนี้คือพิจารณาธาตุสี่ที่น้ำไปลงนี่แหละที่ปลูกของพุทธศาสนาปลูกลงอีกมันก็งามขึ้นอีกอย่าน้ใช่พุทธเจ้าทำปมะเทศไหนนอกจากตัวของเราไม่ได้เทศแล้วเทศที่ตัวของเราในทานั้นน่ะ ธาตุขันธ์อายตนาธาตุที่ยินนัำงไปลงขันธ์หารู้เวทนาสัญญาณขันธ์ในานอายตนาหกภายนอกหกภายในหกคือตาหูจมูกร่ยงกายแต่ตัวของเรานี่ทั้งนั้นพอจิตเป็นสมาธิภาวนานเนี่ยแน่ไม่ท้อถอยมันก็พิจารณานี่สิมันจะไปพิจนารณาเลย ตั้งมันในที่นี่แล้วมันเห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทเกิดอิปัชนาคือเกิดในที่นี้เกิดในธาตุสีนะ้ำในไตลไมินเลยเกิดในขันหานะไม่ได้เกิดที่อื่นแรอกเห็นชัดตามเป็นจริงถึงมันในที่นี้ก็เรียกว่าอิปัชนาอิปัชนาคือว่าเห็นแจ้งแล้วว่าเห็นแจ้งสมาธิแปล ว, ว่าตั้งมันมันตั้งมันในที่เดียวแล้วก็ได้ชั่ว เป็นสมาธิตอนนี้มันจะไปไหนอยู่ในตัวของเราพิจาจรณาเฉพาะขันหายนะท่าศีกขันหายนะอย น, นี้มันก็ตั้งอยู่ในที่นี้เดียวแล้วมันจะไปไหนเนี่เรียวกว่าปลูกศาสนาปลูกถูกที่ถูกทางแล้วก็ขอให้ลดน้ําคือทําใจให้ชื่นบาน จะไปดิน้นโลนเดือดร้อนได้ยินเขาพูดอย่างนู้นอย่างนี้ก็อยากเป็นอย่างเขาออ้ยไปใหญ่ไปโตเขาเห็นนั่นเห็นนี่ก็อยากเห็นก็เขาเราเนิ่งนิ่งเฉยเยไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรก็ตัวของเรามีอยู่ทําไมไม่เห็นถ้าสี่น้าผัโวยก็เห็นในม่ตัวของเราแล้วทำไมจึงไม่เห็นจะไปเห็นอะไรอีก ถ้าหักแล้วปลูกผงที่นี่ถูกต้องแล้วมันจะงอกงามขึ้นมาอย่าพึ่งไปชักไปดึงมันแล้วออย่างร็ปลูกเข้าเน่ะแม้ท่านออกลวงก็ไปดึงเง้ามามันก็ตายมาสิพอท่นออกรวงแล้วมันไม่แก่ก็เปนดึงเข้ามจะไปให้มันแก่มันก็ไม่มันก็ขาดมาสิดหมันแก่เองมัน มันค่อยเติบโตเองแต่บำรุงรักษาน้าใบให้มันดีคือความสรัทาเลื่อมใสมันค่อยแก่ไปโดยลำดับใครไม่ได้เอามาให้มันเอิบน้ำนมมันก็เกิดขึ้นเองแระกลายเป็นเม็ดข้าวมันก็เกิดขึ้นเองมันสุกมันแก่มันก็เกิดขึ้นเองมันโดยลำดับไปเร่งขั้นโดตกาโดยลำดับแต่ไม่มีใครจะไปทาให้มันสุกมันแก่ เพียงแต่ว่าเลี้ยงต้นมนไว้อน้ำเลี้ยงต้นไว้ให้มันไม่ให้มันตายเท่านั้นก็พอแล้วผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยขอให้รักษาใจไว้ให้มันอยู่ขอให้มีศรัทธาเชื่อมั่นในความดีของตนที่ตนทําความดีที่ตนรักษาไว้นั้นอ่ะให้เชื่อว่านั่น่เป็นของดีของเรา จะว่าไม่ดียังไงจะว่าไม่เห็นยังไงจะจ่าไม่รู้ยังไงจะว่าไม่เป็นยังไงของมันเป็นอยู่นั่นความดีเห็นความเชื่อมั่นของเรามีแค่นั้นอันนี้เรียกว่าตั้งต้นให้ถูกปลูกให้มันถูกที่ดีที่ดินอันดีงามแล้วก็รักษา อย่าให้มันตายคือลดน้ำควรดินอยู่ตลอดเวล า, าศาสนาจะจะงอกงามคนในที่นี้โดยเฉพาะแสดงในวันนี้เพียงแค่นี้ตั้งตัวไม่ติดชัทีทาสมาธิก็แปลว่าตั้งให้มั น, มน เมื่อจิตมันไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่มันเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องมันสมาธิมันมันม่นคงไปในที่เดียวนี่เมื่อสมาธิไม่มั น, มนก็จับตัวไม่ได้ฮัทภาวนานี่ยยากนักตรงที่แหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรขอให ดูให้ดีทีถูกเราตั้งจิตลงตรงไหนเราตั้งสติลงตรงไหนเราตั้งจิตตั้งสติลงที่จิตผู้คิดผู้นื้ผู้รู้สึกผู้สรงสายผู้คุงผู้แต่งเราสติไปตั้งตรงนั้นมั่นคงตรงนั้น ความคิดความเลึกรู้สึงมันตามมันก็หายไปมันก็ยังเหลือแตจิตกับสติสองอย่า ง, งนั่นนั่นก็เป็นสมาธิแล้วจับอันนั้นได้ก็เด้ชัว่าจับตัวจิตได้แล้วจับพุทธศาสนาได้แล้วพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นในตัวของเราแล้วอันนี้หาได้เป็นเจนนั่น การตั้งจิตตรงไปเนี้ยเมือนก็สนอเมือนก็สนอเที่ยงน้ำเที่ยงนี้พุ่นไฟนวลแล้วพอที่งนี้ลิฟต์ถึงนวลแล้วไปไหนคุณไปไหนลิฟไปนวนแล้วมันไม่อยู่ที่คือไม่เอาจิตไม่ตั้งในไม่เอาสติไปตั้งจิตนั่นเอง เมื่อตั้งตรงจิตอยู่นิดนี้หน่อยเท่านั้นนะก็เลยเพลินไปลงหลงหมวัวเมาตามเรื่องของมันจังจิตนั่นมันเรียกว่าผู้คิดผู้นึงผู้ปุุงผู้แต่งเลิศไปเพลินกับผู้นึกผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งสติเลยไปเพลินตามนั้นเสียสติก็เลยหายไปเมื่อสติควบคุมคือตั้งมัน่น อยู่ที่จิตอันนั้นมันก็หายมันก็มันก็หายไปหมดของสันนิษนงั้นเหลือแต่สติกับจิตเท่านั้นถ้าเมื่อเหลือสติกับจิตแล้วเลยไม่มีอุบายที่จะพิจารณาต่อไปอีกก็เลยเพลินไปอีกอหะคือเมื่อรู้ว่าจิตกับสติอยู่ด้วยกันแล้วควบคุมกันอยู่แล้วให้เชื่อมันเถอะว่าตรงนั้นอ่ะ เป็นของดีอันนั้นเน่เป็นของเด็กนั่นเป็นนักเป็นเรื่องที่นักปฏิบัติต้องการที่สุดตรงนั้นเนี่ยการฝึกหัดมสมาธิภาวนามีเพียงแค่นี้นอกเหนือจอากนี้ไม่มีหรอกขอให้สติควบคุมคิดท่าอยู่แล้วก็พอ แล้วก็ขอให้เชื่อมันขอให้เชื่อว่านี้เป็นของดีเดี๋ยวควบคุมจิตอยู่ไม่คิดไนมะ่นึกมไม่ผูกมาแต่งเอาละสงสัยไปอีกแหละเอ๊ะทำไมไมมีปัญญาอีกแหละอยากจะได้อุบายปัญญาเลยเมยเพลินไปโน่นหลงไปตรงอุบายปัญญาเนยะที่เขาเล่าอย่นั้น เกิดความรู้นะั่นเกิดต้องเข้าแจนี่อะไรต่างหลายเรื่องหลายอย่างคิดถึงโน้นไม่คิดถึงสติควบคุมจิตมันก็เลยไปใหญ่ไปตตให้เชื่อเธอว่าคนไม่มีสติควบคุมจิตต่างหาที่หลงเพลินมัวเมากับความรู้ความฉล า, าดเป็นโน้ น, นเห็นนี่อะไรต่างนั้น คนไ ม, ม่ไม่มีสติควบคุมจิตหรอกถ้าสมสติควบคุมจิตแล้ไม่เป็นไม่ไปนิ่งแน่วอยู่ที่เดียวคนเช่นนั้นเรียกว่าเราหัดสมาธิเมื่อเมื่อหัดสมาธิจริงๆกันเลยเลยส่งไปนอกคนไปเห็นของนอกเป็นของดีกว่าสมาธิ พอถ้ามันอยู่เถอะสมาธิอยู่นานๆมันจะนานเท่าไรก็มันนานเถอะอีพียี่สิบปีสามสิบปีก็อยู่ไปเถอะมความรู้มันจะเกิดมาจากสมาธินี่ที่แน่นอนมันเกิดขึ้นมาแล้วของเกิดก็เอาเป็นของอสุจิ่นไปด้วย